ข่าวหน้ากลุ่มตอนอย่าร้างสูงความเหงาที่บาทลึกมาถึงกล้างใจมองไปทางไหนก็คิดถึงเธอคุณนี้สุดปวพอออกองปกครองและทะเบียนกทมเผย่อสถิติการอย่าร้างสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ไม่อยากกันก็แยกกันอยู่เสียอย่างนั้นบุญที่ทําร่วมกันช่วยให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนสารยายรักให้เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆส่วนบาปที่ก่อร่วมกันจะแกล้งให้อยู่ร้อนนอนเป็นทุกข์เหมือนกระเทาะฐานความรักให้ร้าวเข้าทุกทีฟังอย่างนี้ทุกคนคงเข้าใจและรู้สึกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นปัญหาคือ จะมีสักกี่คนรู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรส่วนใหญ่ยึดเพียงภาพเห็นง่ายเช่นทําบุญร่วมกันคือตื่นมาช่วยกันใส่บาตพระตอนเช้าที่หน้าบ้านส่วนก่อบาปร่วมกันคือช่วยกันฆ่าหมกศพเจ้าหนี้ไว้ที่หลังบ้านความจริงบุญกับบาปเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันทั่วไปและเรื่องน่าเศร้าก็คือ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 บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่36อ่านโดยโจโจ